ตาแไตก็เป็นดอนะที่จะแนะนำในการเดินพุทธมรรคฐานแต่ว่าวิธีปฏิบัติมโนยิทธิจะอธิบายตอนหลังในตอนนี้ก็ขอพูดส่วนที่ยังค้างก็งอยู่ก่อนแต่ว่าก่อนที่พูดเรื่องอื่นทั้งหมดตามแนวการาปฏิบัติเุทธมรรคฐานตามที่พระเจ้าทรงจัดเนอูม์ปริการส่วน ท่านบอกว่าก่อนจะทำอะไรทั้งหมดให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในโลกทั้งบวงในหมายความว่าในโลกนี้ใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนแลสัตว์ทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครแั่คือเมตตาแล้บริสองกุนนา เราจะมีความสงสารถ้าไม่เกินเมตไสยที่ใครมีทุกเราจะช่วยได้เราจะช่วยให้คนทุกถ้าทุกคนตั้งใจอย่างนี้อารมใจจะเป็นสุขตอนนี้ไปก็ขอแนะนำยานทจัยานแปดที่ค้างอยู่เมื่อวานนี้ก็มาติดอยู่ที่เจโตบริย า, ยานอาญาโยมือลงไม่ต้องไม่ต้องกมือโนะยมนะที่จะเมื่อยมากเวลามาก ตังสบายคำแมยานแปดนั้นในช่วงแรกนี่ขอบอกให้ทราบว่าะจะอธิบายเรื่องยานต่งตางๆก่อนพอถึงเวลาจะได้อธิบายเรื่องการปฏิบัติมโนยิทธิคำแม่จุตูปปาดยานหมายถึงยานที่รู้ใจคนอื่นอันนี้มีความสำคัญกะนักปฏิบัติมาก ว่าก่อนที่เราจะรู้ใจคนอื่นเราก็รู้ใจของเราเองซะ ก, ก่อนสําหรับใจที่เราจะพึงรู้ในวิสุทธิมัสท่านบอกว่ามีลักษณะหกอย่างแต่ว่าในที่นี้จะขอเอาย่อมาหรือแค่สามอย่างที่หกอย่างของท่านหมายถึงว่าอารมณ์ใจมีจิตสีดําสีดํามากแล้วดาจางแดงมากแล้วแดงจางขาวมากแล้วขาวจางอยู่ในเบต้น ก็จะเว้นไว้เอาเหลือและสีดำสีแดงสีขาวถ้าอารมณ์ใจสีดำหรือ่าก็แสดงว่าจิตของบุคคล น, นั้นมีทุกข์ถ้าอารมณ์ใจสีแดงหมายที่คนนั้นมีอารมณ์เป็นสุขจากได้สิ่งของเข้ามาถ้าอารมณ์ใจสีขาวหมายที่ว่าจิตใจเป็นเบิกขาวางเฉยว่างจากสุขว่างจากทุกข์มีจิตใจสงบในม่รมสบาย นี่หมายถึงสีของคนธรรมดาตอนนี้สำาหรับท่านพุทธบริษัทที่เคยเจริญมโนยิทธิได้แล้วก็จงเอาใจของเราทำใจให้ขาวสะอาดเป็นอย่างต่ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ขาวสะอาดเป็นบาง็ย่งไม่พอเพราะว่ามันยังไม่ใช่ใจของผู้สงชาติแค่ขาวสะอาดก็ดีแค่แดงก็ดีแค่ดำก็ดี เป็นกำลังใจทขาผู้ทุชนอีกถ้าเป็นกำลังใจ่องผู้ทรงฌานมันจะมีเป็นแก้วคลุมรอบรอบหัวใจถ้าเป็นชาญสี่จะจะเป็นแก้วใสในใจทั้งดวงดังนั้นนักปฏิบัติจงพยายามจับอารมณ์ของใจขับกิเลสให้ออกจากจิตคำไม่กิเลสตัว น, นี้ก็คือนิวร ไม่ให้มันเข้ามายุ่งกับใจให้สใหสสะอาดเป็นแก้วนีาสำหรับนักสมถะภาวนาถ้านักจเจริญมิปสัสนาภาวนาก็พยายามขับใจให้แฝกซาไประยับรอบดวงใจถ้ารอบรอบบางบา ง, บางยาน้ถืิว่าเป็นกติเข้าถึงมิปสัสนายานเบื้องต้นยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่ว่าถ้าจิตใสาเป็นแก้วถือว่าเรอารมณ์เรเบกขาญาณ อย่างนี้ถือว่าจิตใจของเราเรียบสะอาดจิตตรงตัวถ้าจิตใสเป็นแก้วธรรมดาเป็นชานสีเวลานั้นจิตจะมีเฉพาะเอกคตารม์โอบเอขาเมื่อจิตจะมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็มีการวางเฉยไม่เนื่องกับอะไรทั้งหมดการรู้จิตใจของเราแบบนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตื่นขึ้นมาเช้า จะต้องรีบชำระ จ, จิตก่อนในนักปฏิบัตินะอันดับแรกแผ่เมตตาจิตไปในจั ก, กรวาลทั้งปวงก่อนคิดว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครและในการที่สองจะมีความสงสารตั้งใจคิดว่าคนก็ดีใส่ ก, ก็ดีในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุข ถ้านั้นเป็นเศษเกินวิสัยที่เราช่วยไม่ได้เราคิดว่าถ้าโอกาสมีเราจะช่วยยังนี้จิตใจก็เสีอ่ะหลังจากนั้นก็ระงับนิวรณ์ห้าแหการเชื่อหนึ่งอารมณ์พอใจในรูปสวยเสียงเพราาติ่นหอมรสอร่อยขนมส้มผัดระว่างเพศตอนนี้ต้องตัดทิ้งไปโชคลาวเแบบการในสองอารมณ์ไม่พอใจแบบการนสามความง่วง รายการนี้สี่อารมณ์ฟุ้งร้างเกินไปรายการนี้ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าราการนี้เวลานั้นเราตัดตัดหมดมรำอารมณ์เฉยๆแล้วก็ตั้งใจหมดรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วภาวนาตามทางภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้แล้วก็ต่อนนั้นไปก็พยายามสังเกตจิต ถ้าทุกคนสามารถชำระจิตให้ใสสะอาดเป็นแก้วเวลาเช้าทุกวันจิตของท่านจะมีการทรงตัวในฌานต่อไปเมื่อเวลาเช้าตื่นใหม่สามารถชำระเป็นแก้วได้ต่อไปเวลากลางวันทำงานเหนื่อยๆก็ลองสังเกตใจหยุดจากงานนิดหนึ่งสังเกตจิตทันทีว่าเวลานี้จิตเรามีสีอะไรถ้ามีจิตสีดำใช้ไม่ได้เป็นจิตเลว ถ้ามีจิตสีแดงเพราะการยินดีเรวัตถุ ก, ก็ยังใช้ไม่ได้ติดวัตถุกเกินไปถ้าจิตสีขาวธรรมดาเป็นสีขาวปกติก็ถือใช้ไม่ได้เป็นจิตของผุ้ทุชนเกินไปถ้าบังเอิญจิตใสเสืออาดได้ทุกขณะทุกเวลาที่เราต้องการเราก็ภูมิใจได้ว่าการทรงสมาธิาเขามีผลแต่ความจริงเวลาทํากลางวันไม่ต้องนั่งขัดสมาธินึกถึงจิตตามธรรมดา ต่นูี้เจโตได้ยานถ้าทมจิตของเราใสาสะอาดถึงที่สุดแบบนี้แล้วก็คพิ่ทงทราบว่าถ้าเราต้องการรู้ใจของคนอื่นจงคิดว่าเราจะรู้ได้แค่กำลังใจของเราทรงตัวอยู่ในคุณธรรมอย่างนั้นนั่นหมายความว่าจิตของเราสามารถทรงอยู่ขั้นปฐมฌานเราก็เย้ยคนอื่นได้แค่ปฐมฌานฌานที่สองรู้ไม่ได้ ถ้าเราได้ฌานสี่จะรู้คนอื่นได้แค่ฌานสี่เลยกว่านั้นเรารู้ไม่ได้ถ้าเราเป็นพระอริยะเบื้องตน้นก็สามารถรู้แค่ของเรารงความว่ า, วาถ้าเรารู้ได้แค่ไหนเราได้แค่ไหนรู้เขาได้แค่นั้นถ้าเกินไปไม่เห็นตอนนี้นอยากจะเห็นจริงๆก็จงจะใช้กําลังใจของเราโดยเฉพาะอันดับแรกขับกําลังใจของเราให้ใสสะอาดจริงๆเสียก่อน หลังจากนั้นก็ใช้กำลังของมโนวิจิเรคือปัญญาขึ้นไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงและแตัดกำลังใจความรู้สึกอย่างอื่นว่าคนนั้นดีคนนี้เลวคนนั้นได้อย่างนั้นคนนี้ได้อย่างนี้ตัดทิ้งไปทำกาลังใจเป็นเบกขาคือวางเฉยหลังจากนั้นก็ทูลถามพระพุทธเจ้าตรงว่าบุคคลคนนี้ จะมีกำลังสมาธิขั้นไหนจะมีฌานสมาบัติขั้นไห น, จ ะ, น, ไหนจะมีความเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนขอเห็นใจเขาบุคคลคนนั้นจะขอพระองค์บอกด้วยอย่างนี้เราจะเห็นจิตชดใจชัดเนจนแจ่มใสตา่างตามคุณธรรมที่เขาทรงอยู่และเราสามารถจะรู้ได้จากการบอกของท่านว่าเขาทรงอารมณ์ใดอะไรอยู่นี่การรู้จิตในประโยชน์อย่างนี้ ถ้าหาว่าท่านทุกคนสามารถได้เจตรุร ย, ยานทาจึงคล่องพอได้ยินชื่อคนหรือยินชื่อสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ทรงอารง์อยู่ขั้นไหนขั้นปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสในสมายความจิตจะดำธรรมดาจิตจะแดงธรรมดาจิตจะขาวธรรมดาถ้าท่านผู้ทรงฌาน ถ้าฌานต่ำก็จะมีจิตเป็นเจ้วรอบตัวบางๆถ้าหากว่าท่าน ไ, ได้ฌานยั้นสองก็จิตเป็นแก้าเราลึกลงไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าหาว่าฌานยันสามจิตจะเป็นแก้วเกือบทั้งดวงจะมีการเป็นแกนนิดหน่อยถ้าได้ฌานสี่จริงๆจิตจะใสสะอาดเป็นแก้วทั้งหมดถ้าหากว่าเป็นนักเจริญวิปัสนาญาณแต่ยังไม่ได้เป็นโสดาบัน รอบรอบกำลังจิตจะแผ่วพราวบริยบสวยสดงดงามถ้าเป็นมัศวดาบันแล้วกําลังจิตความแผ่วพราของท่านคนนั้นจะลึกข้นไปประมาณ25เปอร์ถ้าเป็นพระสีธาคามีความแผ่วพ่าจะลึกลงไปประมาณห้เปอร์ซถ้าเป็นพระนาคามีความแผ่วพ่าจะลึกเต็มดวงแต่ว่ามีแกงข้างในเล็กน้อยส่วนมากเป็นแกงแดง ถ้าเป็นพระอหันจริงๆจิตใจคุณท่านบนนั้นจะแผวเปล่าเป็นประกายพึ๊กและจะขยายเป็นดวงใหญ่นี่เป็นจลางใจพระอหันตนี่ถ้าเรารู้เจโตวรรยามีความประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสานุตติยานปุเพนิวาสานุตติยานคือการละลึกดัชชาได้สําหรับตัวตัวประปารเจโตวรรยาดนั้นถ้าเราขับกําลังใจแบบนี้แระจิตเราก็สะอาด เก้าเป็นขั้นฌานโลกีที่เป็นภริยะต่อสามขั้นตรนลำดับพระรู้ใจมาขับง่ายกิเลสถ้าได้เจโตญาณขับกิเลสง่ายต่อไปก็เป็นปุบเพรีวาสานุสติญาณคือการรนลึกชาติได้การอนลกชาตินี้ต้องทำให้คล่องเหมือนกันใหน้รู้ได้ทันทีทันใด เห็นคนประเภทนี้เราให้มีความรู้สึกว่าเราเคยเกิดเกิดเป็นคนอันดับนี้บ้างไหมถ้าเกิดมาแล้วกี่ครั้งเขาดูภาพเท่านั้นภาพในไหมว่าตัวบุคคลและมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเราจะรู้ทันทีถ้าเห็นสัตว์ประเภทนี้เราคิดว่าเราเคยเป็นสัตว์ประเภทนี้บ้างไหมถ้าเคยเกิดขอเห็นภาพนั้น <c oughs> อย่างนี้เป็นต้น เห็นคนรวยแล้วก็อยากจะทราบว่าเราเคยรวยไหมเห็นคนจนแล้วก็ทราบทราบอยากจะทราบว่าเราเป็นคนจนมาไหมก็รวมความว่าเราจะทราบได้ทุกอย่างแล้ทราบได้แบบนี้ต่างกำลังเขงปาป ล, ลุกพลีวารสารญายผลลัธชาติก็เป็นเหตุให้เราไม่มัวเมาในชีวิตมีความรู้สึกตัวตามความเป็นจิตวิญญารเกิดทุกครั้ง บางครั้งก็มีความร่ำรวยมีความสุขในทรัพย์สมบัติแต่ว่าความทุกข์ในความเป็นอยู่ของคนเหมือนกันหมดคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่ขึ้นมาทุกวันในธรรมกลงังขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีการป่วยไข้ไมส่สบายมันก็ทุกข์มีการพัดราชจากของรักของชอบใจมีความปรารถนาไม่เคยสมหวังมีความตายในสุดเหมือนกันหมด เกิดเป็นคนจนก็แก่ก็ป่วยก็พัฒราจะของราของชอบใจก็ตายเกิดเป็นคนรวยก็รู้จักแก่รู้จักป่วยพัฒนาเจ้าของรของชอบใจก็ตายมีฐานะใหญ่ก็เหมือนกันมีฐานะน้อยก็เหมือนกันตรงความเราก็จะมองเห็นว่ากายเกิดการตายเป็นของไร้ประโยชน์มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เราเกิดเป็นคนเราก็ทุกข์ ถ้าชาติหน้าเราไปเกิดเป็นคนอย่างนี้เราก็ทุกข์อีกทุกข์แล้วมันก็ตายแล้ว น, นอกจากการเกิดเป็นคนเราก็ต้องใช้ปุถุภินีวาสารตญยาในชาติถอยหลังว่าตอนที่เราจะมาเกิดครั้งนี้เราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไหมเคยเกิดขุมไหนบ้างขุนละจิตครั้งขอดูภาพอย่างนี้จะเห็นชัด แล้วต่อไปถ้าเห็นอยางนั้นแล้วก็ขอดูภาพต่อไปว่าก่อนที่จะลงนรกนี่เป็นการดูถอยหลังเราเองเราเกิดเป็นคนมีฐานะเป็นยังไงทำบาปประเภทไหนบ้างจึงได้ลงนรกขุมนี้ภาพนั้นก็จะปรากฏมันไม่ใช่ภาพประเภทเขียนที่ทางฝานะเป็นการสแสดงออกอย่างจริงจังในภาพน้นขนาที่เราเทวทุกขวันา ถ้าเป็นถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้เราก็จะมีความสุขใจอยู่จุดหนึ่งคิดว่าขึ้นเชื่อความชั่วประเภทนี้ที่ทาให้เราต้องตกน ร, รกเราจะไม่ปฏิบัติต่อไปอีกเราจะปฏิบัติเฉพาะ ข, ขึ้นความดีหลังจากนั้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปถอยหลังเข้าไปอีกว่านอกจากจะตกน ร, รกแล้วเราเคยเกิดบนสวรรค์บ้างไหม เคยเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นนางฟ้าชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นพรหมบ้างไหมอย่างนี้ภาพเก่าๆพวกเราจะก็จะปรากฏเคยเกิดเป็นผู้หญิงเคยเกิดเป็นนางฟ้าบ้างผู้ชายเคยเกิดเป็นเทวดาบ้างทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเคยเกิดเป็นพรหมบ้างเราก็ถอยหลังไปดูกฎของกรรมความดี ว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมนี่เราทาความดีอะไรไว้ไอ้ความดีประเภทนั้นยังส่งผลให้เรามีความสุขเมื่อเราถอยหลังเข้าไปทราบตามนี้แล้วอารมณ์ใจก็จะไปสุขเราคิดว่าขึ้นชื่อว่าสวรรค์มีความสุขเราต้องการขึ้นว่าเป็นพม่าโลกมีความสุขเราต้องการถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราว สวัสดีก็ดีความรกก็ ด, กดีมีความสุขชั่วคราวถ้งหมดบุญวาสนาบารมีเรากลับมาทุกใบอย่างน้อยที่สุดเราก็พักทุกข์ชั่วคราวแต่ดินแดนที่มีความสุขจริงๆมีที่ไหนมีความสุขแล้วไม่ทุกต่อไปนั่นคือนิพพานในเมื่อเรารู้การเวียนว่ายตายเกิดอันเดินนาฏบุตรปีละวารสารีย า, ายการเกิดเป็นคนมันไม่นของไม่แน่ บางครั้งก็พัดลงอบายภูมิเป็นสุนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสนติฉันบ้างเป็นคนมีความทุกข์บ้างบางครั้งในสายบุญบารมีของเรามีความดีเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างในเมื่อถึงการเบียนไหวใจเกิดในวัฏฏะนับชาติไปทวนอย่างนี้เราก็เบื่อ ถ้าเบื่อในร่างกายเบื่อในความเกิดนั่ก็หมายความว่าธาตุตายจากความในคนเป็นปัจจัยเกิดนิพพานอันนี้อันเนินงได้กาลังปกปีนีวาสันติญาณรุชาตินะเขาทุกคนทาให้คล่องตอนนี้ไปก็ถึงเวลาที่จะแนะนำการเจริญกรรมฐานในด้านองมาโนยิทธิคําว่ามาโนยิทธิแปลว่ามีริษฐาใจ นันก็นหมายความว่าเราใช้กําลังใจฤทธ์แปลเป็นฤทธิ์คือเราจะไปได้เฉพาะใจปโนยิสที่นี่อันดับแรกทุกคนปฏิบัติจะต้องได้ที่พย์ภูยายก่อนหลังจากนั้นครู ก, ก็จะแนะนำํำให้ปฏิบัติให้เป็นพระจุลามนีเจรีสถานพอเคลื่อนไปได้อย่างนี้ถือว่าเป็นเมื่อทิพย์ภูยายของปัญญา จากพุทธุรามุมนีเจดีสถานแล้วถ้ามีกําลังใจพอก็จะแนะนําให้เป็รู้จักผ่นานคือเป็นการเตื้องความสงสัยที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนเกิดมาแล้วตายแล้วมีสภาพในศูนเกิดไปเกิดมาแล้วตายแก่ความเป็นคนถ้ามีจิตนี้เศร้าหมองไปสู่ไบายาภูมินจะเป็นต้นถ้าจิตผ่องใสในดันได้เขากระสนก็ไปสู่สุขติมีสวรรค์เป็นต้ตน เป็นการดิสต์และเซาอาบมโนยิธีนี่เราจะได้ญาณแปดอย่างถ้าทำในกล้องครืหนึ่งที่จุญยานเห็นผีเห็นดวงดาเห็นโลกเห็สวรรค์เห็นทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการที่ตาเนื้อไม่เห็นเป็การอีกสองโจย์ตัวประพ า, าติญาณรู้จาักการเกิดและการตายของคนในสัตว์เห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์ เราจะทราบได้ทันทีว่าคนคนนี้สัตว์ตัวนี้ก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์มาจากไหนมาจากสวรรค์หนรนือมาจากพรมมาจากโลกเปกเราทราบได้พอได้ยินชื่อคนตายได้เรจะทราบได้ทันทีว่าข่าวพวนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนพระเจ้าบัวเอิญญาติเขาเราตายพวกเขาเราตายเราต้องการจะทราบก็ติดตามเขไปเลยลูกข่าวว่าตายก็เวลานี้เขาอยู่ที่ไหนแนละ้วไปหาเขาเลย เขามีความสุขแล้วมีความทุกข์ก็จะรู้เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเราจะทราบเขาจะบอกเราให้แล้วก็ทําทตามนั้นถ้าก็มีความทุกข์อยู่จก็จะมีความสุขต่อไปก็เจโตบริย า, ยานคือรู้จิตใจคนอื่นและรู้ใจเราเองด้วยต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสารตุยานอรรกชาติได้ต่อไปก็เป็น อาตีต่างพยานรู้จหกณในอดีตเหตการข้างหน้าอย่าไปยังไงอนาคตตางพยานรู้เหตการนอนาคตอดีตการที่แล้วมาอนาคตตางพยานรู้เหตการข้างหน้าและยะถาปัจจุปนังพยานรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์ยถากรรมตายานรู้จากอะไรเป็นเหตุึองความสุขอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ขอพูดอย่ย่อต่อไปก็ไปวิธีปฏิบัติ การปฏิบัติที่มีผลตามนี้อันดับแรกขบันดาญาโยพทุทธวิสัททุกคนอันดับแรกนะให้กาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ เพราะว่าการรู้ลมหายใจเข้าจะออกที่ถ้าบังเอิญลมหายใจเบาเกิดไป mm. ก็อย่าเร่งรัดให้หนักเพราะถ้าไปเร่งรัดร่างกายจะเหนื่อยลอยไปลมหายใจจะแรงและลมหายใจจะเบาถือว่าเป็นเรื่องของลมหายใจเราไม่บังคับลมหายใจเรามีหน้าที่อย่างเดียวอ่อยจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้หายใจเข้าหรือเวลานี้หายใจออก แล่ในช่วงนะั้นต่อไปก็มีภาวนาควบคู่ไปใช้ธรรมนาสีคำคือนะมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกตามะพะทะแี <c oughs> ่ ว, ว่าอย่าอย่ารีบเกินอย่าเร่งเกินไปจนเหนื่อยนะปล่อยไปตามสบายๆร่างกายให้ใจเร็วให้ใจช้าไปเรื่องของร่างกาย <c oughs> ยืนยัว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามวนาะมะเนื้อใจออกนึกตามอาภาาัชแต่นี่การที่จะฝึกอย่างนี้อันดับแรกจะต้องได้ทิขุยายก่อนการภาวนานี่เวลาฝึกจริงๆครูพูดแนะนำเขย่าภาวนาประมาณสิบนาทีในช่วงเวลาที่ภาวนาสิบนาทีเนี่ยเขาว่าได้ย่าโยมุตุบริษัททุกคน เวลานั้นจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นอันขาดเพราะว่าภาวปยารู้อยากเห็นเข้าจิตจะพุง้งซานขณะที่ภาวนาแนละจิตยังไม่เป็นทิพย์ <c oughs> จิตจะมีความเป็นทิพย์ต่อเมื่อคนเขา้าเขาแนะนำด้านปริวัฒนายานต้องรอตอนหลังต่อไปเมื่อภาวนาประมาณสิบนาทีแล้วก็จะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงบ้าง เมื่อคนเขาไปนั่งขา้างหน้าบางแต่คนน้อยนั่งขา้างหน้าวงคนมากนั่งกลางวงขณะที่คนเขาไปนั่งกลางวงให้ทราบว่าคนนั้นเขาจะเข้าไปแนะนำตอนนั้นขบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รับปฏิบัติให้หยุดภาวนาทันทีเลิกภาวนาไปเลยภาวนาก็ไม่ภาวนาการรู้ลมหายใจเขาออกก็ทิ้งปล่อยใจตามสบาย แต่ว่าตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนำผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัดกิเลสขณะที่ตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนาเวลานั้นจิตจะห่างจากกิเลสละน้อยดะน้อยในที่สุดจิตจะขาดตอนจากกิเลสคือจิตใจไม่นึกถึงความโลภไม่นึกถึงความโกรธไม่นึกถึงความหลง ใจิตใจตั้งใจฟังคําแนะนำของวุนั้นต์นึกตามไปด้วยอย่างนี้จิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ก็เริ่มเป็นทิพย์คำว่าทิพย์ขุยา ย, ขายายเขาญาติโยมบริษัทอย่าลืมว่าไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์คำว่ายานนี่แปลว่ารู้ถ้าแปลเต็มศัพท์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจไร้าตาทิพย์ให้เชื่อความรู้สึกของใจ หาครูผู้ปฏิบัติเขาเห็นว่าจิตใจเริ่มสะอาดความเป็นทิพย์เริ่มเกิดเขาก็จะหยุดแนะนำเขายาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมบ้างค้าถามถึงความรู้สึกอย่าโยงทุกขุคคลกันไปกันใช้ความรู้สึกเป็นสำคัญพอใจเป็นทิพย์แต่เวลานั้นมีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่าสงสัยคือไม่ต้องกลัวผิด ความรู้สึกครั้งแรกจะถูกต้องให้ตอบทันทีว่ามีถ้านก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายก็ตอบเป็นผู้ชายเขาถามว่าท่านคนนั้นแต่งตัวสีอะไรเขาจะซ้องกับมังใจถ้าเราก็บอกลักษณะการแต่งตัวสีสันวันละกับเขา อันนี้ความเป็นทิพย์ธรรดา ญ, ญาติโยมพุทธบริศัทที่ได้กันนี่จะไม่สม่ําเสมอกันบางคนจิตสะอาดน้อยบางคนจิตสะอาดบางกลางบางคนจิตสะอาดสูงสุดถ้าเวลานั้นจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจจิตจะไม่เห็นภาพถ้าจิตสะอาดปานกลางที่น่าจะกเกเรนะปานกลาง จิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพจะไม่ชัดเนจนแจ่มใสถ้ามีจิตสะอาโสสุดจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากทั้งนี้ก็ขึ้นกับกําลังใจขบรนดาญ า, ยายโยมพุทธริษัทแต่ทุกคนค่อยเชื่อความรู้สึกของจิตเป็นสำคัญเมื่อญาโยมตอบอาการรักษาอย่างเขาได้แล้วหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ไปพระจุลามโมนีเจดียสถาน ซึ่งตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสถานที่ธรรมสกาย ข, ของเทวดาและผมทั้งหมดที่ตรงนั้นบรรดาญาโยมบริษัท์จะพบพระพุทธเจ้าจะพบพระหันเทวดาและปรมมากมายเมื่อเข า, าเนำไปรับปรการพอทุกคนแล้วถ้ากำลังใจยังสะอาดอยังดีต่อไปมีความเข้มแข็งต่อไป <c oughs> เขาก็จะพายไปรู้จักนิพพานที่สมรับผู้ใหม่นะ สำหรับญาติโยมเก่าๆค่อยตัดสินใจตามนี้ให้หน้าริยาสัตว์กันหนึ่งทุก์ว่าการเกิดมาในโลกนี้มันเต็มด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขทุกข์จะมีขึ้นมาได้เพราะสายร่างกายอย่างเดียวคือความหิวจะมีได้ความหิวมันทุกข์เพราะมีร่างกายความหนาวเกินไปร้อนเกินไปจะมีได้เพราะร่างกายความป่วยไข้มาสบายจะมีได้เพราะร่างกาย ความพัดพลาดใจของรักของชอบใจจะมีได้เพราะร่างกายความตายจะเกิดขึ้นเพราะมีร่างกายคือในเมื่อเรามีร่างกายอย่างนี้มันก็มีทุกตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเตสังบูปสมุตโขหัวคือปแปลว่ากายเข้าไปสงบกายนั่งเที่ยวเป็นสุขถ้าเราต้องการมีความสุขจริงๆแเราคือเราก็เป็นคนไม่มีร่างกายคือไม่มีความไม่มีร่างกายเป็นคน ไม่มีร่างกายเ ป, ยป็นสัตว์ไม่มีร่างกายเป็นเทวดาในนาวฟ้าไม่มีร่างกายเป็นเป็นพรมเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นใครทุกคนจะรูปประโคมก็องค์สมเด็จตุสัมมาทัพุทธเจ้าชาัดเจนแจ่มใสต่กำลังเอาจิตใจไปตั้งวัตถินิพพานคอยฟูผู้แนะนำเวลาที่ครูมาซักซ้อมแนะนำอย่างนี้จะมีความฟองสายมากมีการคล่องตัวอรบันดาญายโยมพุทธบริษัททุกคน ตอนนี้ไปเขาญาติโยมทุกคนหันหน้าไปทางพระพุทธรูปตั้งใจเพื่อสมาทานศีล ส, สมาทานปกรรมฐาน